สองหยาดกลาเป็นถามปัญหาคือไม่มีใครนัเดียนใหม่อเมืออ่อคืนพักการเทศเป็นว่าจิตสมาธสอนเนี่มเป็นอวิชานี่อันนี้เพราะว่าทาสมาธิจนได้ความสุดในสมาธิแล้วติดอยู่ใช่ไหมครับติดเรื่องของสมาธิแน้แต่ปัญญาก็ยังจะติ พระพุทธสอนตอนนี้มันเป็นว่าสอนอ่คือพระกอบสอนของเระวัติเชื้อแห่งครบทแท้คืออันนั้นเป็พระพุทธสอนที่เวลาพอคิดเดิมมันจริ่งเป็นอย่างนั้นนะคิดเดิมเนี่หมายถึงว่าเดิมของวัจจักนั่นหมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเปลี่ยนละ จะอาศัยอะไรพิเรศจารเข้ามาอะไรเข้าไปเรื่องของทคิดควาุงเองเองน่ะจารเข้ามากันอย่างจาเข้ามาด้วยไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงไป็นอ่งั้นดูความทุ่มเทของเราเนี่ยเอาเข้ามาเข้ามาเน่ยที่ว่าพิเลศการเข้ามาจารเข้ามาด้วยที่เราที่เราไปคว้าเอาคว้าเอาจากผููจับเสียงได้ยินอย่งนั้นเข้าใจอย่างนั้นทุ่มเญอย่างนั้นทุ่มเทอะไรกันมาเป็นเรื่องพิเลศที่เข้ามาใหาจ้ของเนี่ยที่ว่าพิเรศจารมากันอย่างนี้แม้ดูดูเก็นพิเลศจารมาแค่อย่างนั้นน่ะ ตอนมาจากเราที่ออกไปกล้ า, าไปหาลูกหงุกหาเสียงออกไปแล้วมันไม่ได้เฉยๆออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องว่าง่ายๆนะนั่นแหะมันเอาเรื่องมันาเข้ามาเื่อมันก็เลยมาอเป็นแตกจริงแตกแขนงออกไปมันไม่อยู่จึงล้วนเฉ พ, า ะ, เพาะมันมั้นแตกจริงจากอแขนงไปเรื่อยยุ่งไปหมดถึงความ เพอวิชชาโดยการก็มันก็ไม่ปรากฏเทนั้นมันอันนี้มันปกคุมมาหมดแล้วดีแล้วเกิดจากนี้เองไมันก็มืดห่อไปเข้าใจเลยนีความความผ่องใสเราก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองมัเข้าใจว่าพ่อคัดสอนอยู่คนที่ไม่รู้มันมันปัญหามันมันคุมกันจนมนคุมกันจนไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล่ะ คือเพราะเราไม่รุ่นเองเนื่องจากนไอ้ไ อ, อ้มันของใหม่เนี้ยมันมาปกคลุมเข้าอีกมากมายเนี่ยผมไม่รู้เวลาพระละค่ะวันอันี้มันจะเข้าไปถึงตุงนั้นไม่ใช่มัน <c oughs> นะคือมันเข้าโดยการชำระของเราเนี่ยชำระเข้าไปชำาะเข้าไปชำระเข้าไปาเข้าไปมันงไเข้าไปถึงตรงนั้นที่ผู้ปธิบัตก็ทราบเองจริงไม่ต้องให้พระพุทธเจ้า บ, บอ ก, บอกว่างั้นพูดง่ายนะ นี่พวกเราบอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยแบบนั้นหลยที่ที่พวกองบอกอย่างนั้นแหละเม่พอเราปฏิบัติก็ไปปฏิบัติก็ไปไปถึงนั้นเราก็รู้เองว่าของไสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี่อวิชาหรือไม่อวิชานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเรารู้ว่า่องใสเราคว้าแล้วหนึ่งค <c oughs> ว, ว า, ง า, ามัดเลยไม่ยอมปล่อยงอนว่าจะว่าออะไรสมาธิอะไรติดหรือหรือว่าปัญญาติดคือไม่รู้อะปัญญามันก็ไม่ท้าไปถึงนั้นแล้วมันยอมเลย ดีๆมันเป็นองค์กรักอันนี้เลยมันรักษานี้ไม่อะไรมาแกะทข้าไม่อล้วแต่งมันตัดถึงก่อนี่มันรักษาอันนี้มหาพรตสอนไหมเออเพราะว่าแผลเนี่ยเพราะวาปัญญาเนลายกายเป็นองค์กรักอันนี้มันรักษามันไม่ได้ข้าทาลายเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยพราพรตทสองภาคปฏิบัติคือคือมันแก้เข้าไปแก้เข้าไปตัดเข้าไปจนมาขั้งถึงตัวมหาพรตนั้นอันนี้เห็นได้ชัดแล้วก็ไปติดตรงนั้นใช่ติดตรงนั้น วิธีที่จะทำลายในหลักษอนนี้โอ้โมันนั่งคิดเกี่ยวกัเรียนใหม่ก็เอ๊ะเราใช้เครื่องมือใส่ลักษณะยานกับแต่เอ่อเอ่อเอ่อสมุทัอปัจจานี้คือการศึกษาหั้าตาดูว่าให้เห็นว่าเป็นราคาศึกษามหาที่สอมันเป็นหลงอะไรเฉลิมเนาก็ดูมันก็เหมือนเราเราดูสภาปัะกรรมอื่นเอง ซึ่งความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูโลกของความโกรธเวทนาที่เกิดขึ้นจากความโกรธก็คือทุกเวทนามื่เกิดขึ้นเราก็ดูอดูแค่หนึ่งเดงตกำหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรธเป็นเราเราเห็นว่าความโกรธที่เป็นธาตุกึ่งต่อเราเมื่อการถูกเป็นธาตุกึ่งเป็นเรเขาไม่ว่าเราเป็นกัจุตกันตามแต่เราก็ว่ามันต่างเป็นธาือการังกันเถอะนะเราก็ต้องต่อสู้การต like ่อส <Yeah, S 1> ู้คือการกาหนด ว่ามันจะเคลื่อนไหวไปยังไงตอนไหนความโกลนี่คือผลของความโกลนี่เกิดขึ้นมาความโกลนี่บุบเยอะขนาด่ะแต่ผลมันแสดงขึ้นมาคือความทุกร้อนในตัวเองนี่เป็นผลของความโกลแล้วความทุกข์นั้นมันจะปรากฏภายในจิตแล้วกาหนดรู้อ่ะมันมันเกิดขึ้นมาจากความโกลความโกลเจดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกลถ้าไม่ดับมันก็มันก็เพิ่มมันขึ้นมาเรื่อยๆ้าความโกลมันมันง่ายไปอันนี้มันก็ยังต้องมือกาหนด ดูดูอนั่นแหละดปัญญาของเราเนี่ยจ ะ, จะจะต้องก็เป็นปัญญาค่อยจ้องทั้งเจดเนี่ยอ้าวได้ปัญญานี้ค่อยจางไปจางไปเราก็รือการกําหนดจังอยู่นั่นแหะเราไม่มีโอกาสที่จะไปไปไปโกรธอะไรอะไได้ใช่ไหมล่ะเพราะจิตทับหน้าที่อันเยวเนเห็นโทกในระยะมันย่อมไม่กำเริบในการในระยะต่อไปเราจะไม่เห็นโทกแล้วมันก็พุ่งไปเอยคือเราเห็นสมมติว่าเราโกรธแค่นี้น ที่เราไป เ, เล็งกลับนั้นมันก็ยิ่งเสริมขึ้นเรืเ่อยๆด้วยความความปวกระเสริมความทุกข์กระเสริมไม่พะว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความปวดต่าเป็นไทยมันย้อนกลับมาตนีเขาย้อนกลับมาถึงกวามวดไทยมันก็พนาความปวดน้ำตบตักอนที่เกิดขึ้นมันจะเรืเ่องของหลงหลงอะไรอย่าที่ว่าหลังจากทิงเแล้วไิด้ำตบตักอน้าตบตนกสอนสสออย่าง ถ้าจะทำลายคิดที่ภาควิศต่อแบนี้ก็ต้องต้องใช้เช่นเดียวกับเรากำหนดกาหนดเรื่องความโกละเคร่งเร่งอยู่นั่นอันนี้เป็นอะไร่างทีว่านะสิ่งนี้ยอดเป็นอนิจจังทุกขังนาตาสิ่งนี้เป็นจังสมกับเช่นรูเนิจังทุกขังนาตาพินาเป็นจังทุกขังนาตานาสงขารวิญญาณเป็นจังทุกขังนาตาทีนี่มันก็รู้เท่าทหมดแล้วเพราะการที่ยาด้วยอนิังทุกขังนาตา แล้วอันนี้เป็นอะไรนานก็เหมือนกันตำรวจก็ไปทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับปันนี้เมื่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อสงสัยหรือมาแล้วก็มีข้อสังเกตตั้งขึ้นข้าอสังเกตขึ้นจิตมันก็จ้องนั้นปัญญาเขาค่อยสังเกตรว่าการสังเกตหรือการพิจารณาเนเรื่องของปัญญาอปัญญาอย่างนี้อย่างอยากของปัญญาอย่างเียวเพปัญญาอย่างนี้ปัญาในขั้นนี้มันไม่ถ้าเกิปัญญาอย่างจะคิดแทนเปลี่ยนแปลงอะไรกันนะ มันเพ่งมันเล็งมันกําหนดมันทั้งเกตดูมันอะไรตอนเราไปดูนั่นแหละมันเหมือนกับเพ่งนะนี้พอเขามันน้อยน้อยแล้วบอลรามก็ขาวมากตุนกับเรามากให้นานก็จะตายไปเลยเราถึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นนะคือไอ้ไอ้ไอ้เชือกเพราะสอนเนี่มันไม่ใช่ทีรามขาวบอเพราะมันเป็นสมมุติเนี่ย มันมันก็สลายตัวลงไปได้ถ้าว่าเป็นความจริงนี่มันสลายไม่ได้แค่คู่เป็นตัวจริงกิจวิจิตรสลายไปไม่ได้ไอ้ที่ดูแลไอ้ตัวเอาว่าพอสอนเนี่ยที่มันครอบติดอยู่เนี่ยมันฉลายไปความรู้มันยังไม่เห็นสลายไอ้ความรู้นี้มันยิงมันยิ่งเด่นกว่านั้นอีกเพราะว่าหิ้ร้อยเท่ากับไม่เท่าแล้วทั้งทั้งที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยถึงต้องลากขึ้นขงอวนขนาดถึงปัญญาขั้นนั้นมันยังไม่ยอมทีจะน่ามันก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่ากันจนนาะ คนดงอมเขายตัวเป็นลูกติดเข้าใจไหาวตัวเป็นลูกติดเอวิชาอยู่นนถึงนานอืมอืมคดูแล้วที่นี่นี่หละที่เราเราความตั้งคันตัวเองว่าขนาว่ า, วามันลึเสขนาดไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสงวังไปรักษายังไงมันต้องคั้งคันอย่า ง, ม, ง, งมากของนันถ้ทเรงทั้งๆที่เราว่าอันนี้สัมวันหะน่ะพอปัญญากำหนดเขาไปที่นท้าไปอันนี้สลารนไปอันนั่นขึ้นมาเราถึงเห็นพทษโอ้โหโหี่าย คืว่เห็นโทษถึงความหลงอันนี้เหมือนกับความขี้ควายแท้ๆแลวอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอะร่แล้วการความขี้คยแบบอันนี้จะเป็นอะไรที่น่าหละความสูงของการคุณความพีเ่เกิดจาการมุขัครั้เราจไปตั้งความอยาอะไรก็ตามถ้าตั้งความอยากลงไปอยากมันดับนี่ น, นั่นแหละมันเข้าไปเลย มันไม่ดับอือมันเอาไปเขาไปไปฆ่าก่เหลสมันจะฆ่าไหมเขาเรียกวเขาไปหรือฮะมันก็ช่วยกันลีใช่ไหมมันต้องมาทําไปฆ่าเนี่ยเจ้ากิเลสไปฆ่าจะเลสมัไม่ได้ต้องเสริมมันดับแม้จะทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดไม่ว่าทุกทางกายทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากอยากให้มันดับเฉยๆนี่ไม่ได้ทีเดียวต้องเสริมต้องให้ทราบความจริงมันมีความมุ่งที่อยากจะทราบความจริงของมันเท่านั้นเอาค้ากันลงไปนั่นแหละเป็นทาง ทางเดินมัเป็นเป็นมั้งทางแค่เฉลเยยี่ยคุยกันได้ผมแต่จิตวิทยาสอนนี้อาจจะหลงได้หร อ, อไม่สงายต้องอหองลงมากนั่นเลยไม่จะพูดอย่างอื่นแล้ ว, วมันไม่ถนัดใจว่าต้องหลงมั่นเลยอือต้องหลงนอกจากจะได้รับคําแนะนําจากครูอาจารย์ไปแล้ ว, วถึงจะขนาดไหนก็ตามที่เกิดขนาดไหนก็ตามมันเล่าชื่อ คือครูวาการพูดอย่างนั้นอเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันเลยมีกําลังมากที่จะต้อง okay, พิจารณานั้นได้นะถึง <Okay. S 1> จะไดาขนาดไหนความที่เราเชื่อครูว่าการไม่เชื่ออาเชื่อธรรมที่ท่านสอนนี่มันมันเหนือกว่านี้มันก็ต้องยอมพิจารณา <Okay. S 1> เหมือนอย่างคนลงทางทางนี้เตียนลงทางนี้รกๆถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหนทางไปบ้านกอไปทางนี้ นี่บ้านไหนในบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเ้าจะขุดในบ้านของีมันก็ไม่ถูกบ้านกอที่เขาเราอยากไปบ้านกอทางนี้มันลกลงรังไม่อยากจะไปแต่ก็เพราะเขารู้ทางนี่ถามเขาเขาบอกไมต้องขุนไปตามนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอตามความเหมาะสมถามว่าเจ้าตามใจลองเราจะโดนบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรื่อยเรยหายเงียบไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเตียนโลกนี่เป็ความ เ, ามเป็นสิ่งที่เราชอบใจใช่ไหมละ่ะก็ลุงรังเราไม่อยากไป อันนี้มันมันก็ะทอมไายเนี่มันก็เหมือนเตียนโลคอยงเงยว่าไงมันก็จะไปตรงนี้คยอยือยังยึดไม่จับก่อยว่าว่าแล้วจะแค่สมาธิมันต้องติ <c oughs> สมาธิที่ละเอียดที่ไหนเรื่องคิตสงบตัวเข้าไปมันไม่ถึงขันนนะ้นนั้นนะมันมันติอันนั้นเป็นสมาธิไมนเป็นสมาธิก็ตามตามันเป็นอย่อยางนั้น สุกิจทำหน้าไปถึงขั้นนั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นตามันจะเ้าเขาบ้างจะเข้าบ้างมันก็เศร้าตามความละเอียดของมันมันไม่เศร้าอย่างแบบจิตธรรมดาหรากลองไม่ทําไมลักษณะเศ้านี่ยความเศร้ากับเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยกันเนี่ยทุกเวทนาตามขั้นของมันก็เหมือนคือมันทุกเวทนาละเอียดมันผิดกันไอ้จิตของเราหนีเศ้าเนี่ยมันก็ต้องเกิดทุกเวทนาขึ้นแหละ มันละเอียดด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเรานะเป็นทุกการ ข, ขั้นของมันการขัข้นละเอียดในขณะนี้แยงไม่ออกสามกับสัตว์นี่ยไปแยกไม่ออกนายเราสังเกตทุกขเวนาเป็นมาเต็นยองมันเดือยบอาที่หมอมันเหดือดเอาทุกภาวะทุกกะ เจตนาเฉยมานี่อนตอนนี้ยิง่งทั้งพันทำให้เพิ่มไปเลย <laughs> มันเหี่ยยแล้ว ย, ยิ่งสบาย <laughs> เพิ่มไปเลยนนะอ้าวกั น, กนยิ่งขมขบิสุขไปเจตนาก็้ามาอีกยิ่งหลับไปเลยอ้าวเป็นขั้นนี้นะเข้าใจไหมอืมเป็นขั้นนี้พอสุขไปเจตนาเข้ามายิ่งหลับไปเลยที <laughs> ่สไม่ยอมขัดนี่จิตมันต้องมีอยู่สามกายก็มีอยู่สามจิตก็มีอยู่สาม ว่าเข้าไปขั้นละเอียดมันต้องรู้เรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องมันก็รู้แต่แต่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่ว่าพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้นะรู้แล้วมันมันก็เพิ่มไปอีกเหมือนกันไงจังหวะเนี่ยมันเคลิบมันหลับก็ได้เหมือนกันแต่มันมันรู้มันพอรู้ เดี๋ยวมันก็แกงมันได้ม hmm. ีทางแกงมันไปได้ท hmm. ี่นั่นเองมันก็เข้าใจได้หรือเข้าใจอืมเวทนานอ่อกายเวทนาแกงในหมายมีจิตเวทนากายกายวิชชีลอสิเวทนากรรมกันนีลักษณะกายในกายนอกเวทนาในเวทนานอ่แก่พุทธายะอธิบายเรืเวทนา นอกคนที่ิบายเรื่องการประยัออธิบายเอานาก็าดืมมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัติมันยางคู่กันนะแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยในฐานนอกระมาเรืองการเวทนาหนะ่างกันนะในเรื่อง้าวปฏิัตินะแคเท่านานยยึดหมายเรงกิจกวรมทางนานันเขาขให้น้ำไม่ไปที่อื่นแล้วมันก็ถูกการสุดที่จะแก้ด้วยใช่หมเวนาเขาดื่มไปรู้ด้วยว่าเขาอะไรเนี่ย คนท่า น, นลองเดียวกับเราว่าเอฮปไตโกท่านลงมาดูธรรมของจริงใครเขามาดูอะไร <c oughs> นเนี่ยมีกาัดกันอย่างเงี้ยเชื่อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าขัดการท่ากติท่าปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นนี่อืมเราจะไม่เราพูดได้ยังไงเราต้องพูดว่าทัานเอองปไตโกท่านต้องมาดูเรียกเขาเขามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเ ข, ข, ขาจะเอาคอนแต่นอกปากเขาเนี่ยเขามัรู้เรื่องรู้ราวช่นจะเรียกไอสุนทรมาดูแล้วท่านจะโยนข้ามันมันดูเรียกเขามาดูธรรมจวมันกาดหัวเอา คนที่ใจมันอยา่นั้นมันมีใช่ไหมนี่เอเวอเริกโอท่านไม่ได้หมายงั้นเอเวอเรกโอมันท้าทายท่านอยู่ในหน้าท่านจงดูนี่น้าว่างว่างงั้นต่างห่างนี่คือผู้ปฏิบัติผู้สนใจอยากจะรู้ความจริงในนี่หน้าความจริงมันท้าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูคงนี่หน้าว่างั้นต่างหางนี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นคุณหญิงถ้าถูกรู้ก็แล้วนี่หน้าเอเวอเรติกโอจะไปหาเราเรองอะมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ิมได้ไปเาสายหว่านแล้วเป็นใครทำเสร็แล้วยัง นี่เขาลำพานแล้าเร็จแล้วเขาที่ไาเ็จแล้วไปไม่ไเทศอวันทวันไหนเขข้าวอะไรทว่ายังไม่สัาเด็จอบาเข้าไปแล้วเขาทําวเข า, าเข้าไปแล้วเทศตอนั้งนั้ท า, ายบาทนันจนจะเชื่องก็ไม่ได้ผนี่ไ อ, อ้พระเ้กแบบนี้รวแบบเขาบ้าดีๆเนี่นงจน <c oughs> เขาเห็นนี่หมดเขามองเห็นมาแล้วน่นเดี๋ยวเดียวจะเข้ามานล่างาว่างั้นคือ ท, ท่านจะปวดที่ ท, ทับเเป็นโรคอะไรอย่างอื่ซึ่งพอหายจากปวดหนังแล้วมันกลมาเป็นเรื่อรัง เลยเป็นแบบนั่นแหละการฉีมเราเนี่ยอินสบายไม่กลับบ่าได้ง่ายแล้วไม่กลับง่ายแล้วจะเทศสอนก็อยู่ตามหนน้องตางที่ไหนก็ตามมองเห็นท่านไหนแล้วยังคืออาตมาทำสำเร็จแล้วคุยง่ายอาตมานทำสาเร็จแล้วคุณนี่ทาเสร็จแล้วท่านก็ทำเสร็จแล้วส่าเร็ืขั้นบ้าไม่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นนี้ทีว่างนี่ท็เสร็จแล้วเขาพิเศษนี่แ่ะเอ๊ยไม่ไดโกแบบนี้ใครอยากได้เหยอะ อาที่อาจารย์พูดมี่ยความจริงมาเราพิจารณาเองเอ็นเปโโโ็นคนที่ใครรู้ปฏิบักิธรรมทุกใครอยากรู้ของจริงในธรรมของจริงมันท่าทางนี่สัจธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ท่านรู้ที่นี่นั่นควาหมายไรอย่างนั้นแล้วเราพิจารณาที่นี่มันก็รู้อย่างนี้จริงๆเนี่ยคือว่ากายในกายนอกเหรอเรื่องกายในกายนอกเราจะพิจารณาคนคนอื่ น, พพ น, น, นแล้วก็พิจารณาได้เพราะว่าคนเมื่อแต่ในแต่นอกนี่หมายถึงกายจิต ใจาทางท่าปฏิบัติเองเป็นอย่างงี้นนหนึ่งนะอันนี้การาในกันเราอย่าเนี้ยเราได้ตากวดได้ในเราการนอกนีหมายถึงการหยามที่พิจารณามีคลอยบรรแก้นี่แล้วมันมีอันหนึ่งเป็นภาพหนึ่งอยู่ภายในจิตมันจะมันมาได้นานภายใจิตอยู่เป็นภาพนี่อยู่สําหรับเราพิจารณาไปนั่นนะนี่เราก็แน่ของเอย่างนี้อี ก, กเหมือ น, น, นกันใครจะค้าน้านเถิพเรารู้อย่างนี้นีคือภาพอันนี้มันมันปล่อยจิตในขั้นขั้นที่ปล่อยกลางนี่ปล่อย การนี่หมดไปแล้วที่นี่มันก็เอาภาพของกายนี่เนี่ยเข้าอยภายในจแต่ไม่ยอมพิจารณาตายนี้มันมันพอใจที่พิจารณาภาพคือออกจากกายนี่เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ภาพนี้หมดไปไปยังหรือภาพนี่เขากหนดภาพนี้ไปหมดแล้วนั่นแหละเป็นอากาศขภาพว่างหมดที่นี่นั้นนะที่แรกมันยังไม่ว่างเพราะภาพนี้หายไปภาพอยากภาพแต่ภาพละเอียดเข้าอยู่ภายในจิตมันก็หนดปั๊บมันเข้าอยู่ในจิตแต่ใช้พิจารณี้มันไม่ยอมเข้าอยู่ในจิตนี่ไม่นามันก็มันก็กลายเริตั้งทันภาพมันสลายตั้ง คนั้นนั้นเขามันหลายหลายสลายหมดเลยถ้าออกงานมันล่างมีพระธาตุปฏิบัติ่บบภายในกับนอกก็เป็นอย่างนี้ของเราออกจากการปฏิบัติรู้จากการปริบัติจริงเป็นอย่างนี้อค่นี้พอพอธาตุภายในจิตนี้มันหมดไปที่จิตมันว่างโดยหลักธรรมชาติขงมันเองคือว่างตามธรรมชาติมันแหละว่างตามธาตุขอตัวเองตำรวจเรามันก็ว่างด้วยกันหมดทิงแม้แต่ชะลาอย่างนี้มองด้วยตานีมอง พอเป็นลางๆเป็นเาๆนั่นแหละไอ้จิตมันทะลุไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นเียหมือนกันดินบุกแกันดินนีกำหนดนี่มันทะลุไปหมดด้วยความว่างของจิตมันไม่มีอะไรเหลือเลยว่างหมดภูเขาเหมือนมันหมดเึ็นภูลุกสงรามบ้านข้งมัมีจิตท่านว่างไปหมดคือจิตที่เองเป็นผู้ว่างอันนั้นาก็มีอัั้นหละจะว่างว่างเขาว่างก็ไม่ว่างไม่มีปัญหาอะไรให้ตัวเองนี่แหลปหาเรื่องขอเขาเขาเป็นยังเขเบนี่ ว่างนี่นี่ว่างแล้วทีนี้เอาอยู่นักปิงเนี่ยตอนเนี้ยตอนที่เราไม่ว่างหมดเราก็ว่างหมดอืมเขาเหมือนกับคนที่ขึ้นไปอยู่บนหอวตอนเหยียบบนหอวตอนมองทิแเหนก็ว่างหมดว่างหมดแต่ตรงนี่มันไม่ว่างกรงขึ้นนี่มันได้ว่างนี่นี่จะว่างอะไรเราอยู่กับหัวตอนเราเหียบบนหอวตอนนี่ มองไงอะไรก็เลย ม, มีไม่มีนี่อุปกรณ์นี่ทําทไมไม่มีแต่ตาเราไม่ได้เข้ามานี่จจกันไหมล่ะมันไปนู่นนี่คิดห น, น, นึ่งก็รู้ออกนอกมันเลยรู้ตัวเองไพ่นาค์วันว่างกิ น, น, น, จจนแต่ตัวเองยั ง, ง, งไม่ว่างตัวเองนนี่แหละที่จุดอวิชชาโดยชั้นว่างโดยทาันย้อนเสมางตรงนี้ครับเปิดกันหมดเล ย, เลยง่ไไายหมดปัญหาอเลยว่าอะไรว่างอะไรไม่ว่างเลยหมดปัญหาเพราะงกันหมดภายในก็หมดทาวน์นาก็หมด อ่ยกเดียวกันให้ทางนั้นได้หรือเปล่ห้องเนี่ยขนของให้หมดในห้องนี้ขงน้องของให้หมดอ่อออดอไปดูห้องหมดแล้วเอาไปดูให้ห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้ว่างมปุ๊บปบเข้าไปยืนอยู่กลางห้องดดออมองเลยว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรท่านคิดสองห้องอยู่นั่นแะ มันว่างอะไรน่ท่าน่ของห้องนั้นท่านจะให้้างห้องว่างท่านออกมาพี่ออกมาปุ๊บห้องว่างมะก็คือหมาย่าที่นันอะไรมันว่างหมดไอตัวจิตไม่ว่างตัวเองน่คุณง่ายๆํารวจเขามาที่นี่พี่ถอนตัวนี้ออกอีกอนุทิิความถือจิตว่าเป็นตนนงนึ่อันนั้นไม่ถือว่าเป็นตนเป็นตนกระทำแต่นี้มันถือเป็นตนนถอนไปให้เอกทั้งหมดนก็ว่างแที่ไหนก็ว่างจะจะของว่างแลนะถ้าของว่างอยู่ไหนม่ไม่ว่าง มันยุ่งงงันแหละอยู่แบบนี้ไม่มากคนน้อยําสิ่งจิจมใจยด่งง